ขาไหนาสบายก็นั่งไปแต่อย่าเหยียดขาเย็ยดขาผิดนอนฟังก็ผิดเหงานอนฟังก็ผิดง่วงนอน ต, อต่างใจคือเป็นภาวนาในระยะที่ฟังธรรม <c oughs> ทราบจะพูดอะไรผู่ฟังก็คงจะพูดเรื่องการทำบุญในวันนี้ <c oughs> ประเทนีของพวกเราถือว่าเป็นวันเก่าประดับดินปูยาตาทั่ว <S <S <S เคยพาทร ม, มาในสาว่ธทรมากีร้อยปีกี่พันปีแต่ก็เป็นประเทศนี้ติดเลื่อยมาจนถึงพวกเราปัจจุบันหรือพวกลูกหลานเหลนทางหลัง <S <S อย่างนักศึกษายอมศาสนาของพวกเจ็พาการทำ ต่อนอเนื่องกันไปอีกเหมือนกันวันนี้ตามคำบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่หรือนักปราชญ์สมัยเก่า ท, ทันทีว่าเป็นวันสำคัญคือเป็นวันที่พยายนที่บานปล่อยเปรตหล่านั้นนี่ก็ ตามคำบอกเล่ า, าอะพระโมคคัลลานะซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าของเราผู้ที่งป็ฤทธเดชมากกว่าทุกองค์เคยนำเรื่องต่างๆทา ง, ง, ง, งสวรรค์นรกมาเล่าสู่พวกญาติโยมฟังมาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังเพื่อพระพุทธเจ้าจะได้นำมาแน้สอนพวกพุทธบริษัทที่ ไม่กลัวบาปเหตุกลัวบาปไม่อยากไปสวรรค์ก็อยากพอพูดจึงเหลืองสวรรค์ก็อยากจะให้ไปแล้วการไปสู่นรกสู่สวรรค์นั้นจากสาเหตุอะไรพระโมคคัลลานะท่านไปสวรรค์ไปนรกวันนี้ท่าน ลงไปสู่นรกไม่ใช่ถันตกนรกนะถังไปนําข่าวถังเป็นผู้ทําข่าวพระพุทธเจ้าเป็นผู้จีแหนสอนแต่พระโมคคัลลานําข่าวมาจากสถานที่ต่างๆมาให้พระศาสดาคือพระพุทธเจ้าของเราเดีพระพุทธเจ้ากประชุมเทวสุสง์หรือพุทธบริษัทข่าวว่ดาดียอดโยม มารวมกันแล้วท่านก็เทศแนะสอนเรื่องต่างๆวันนี้ท่านเหาะลงไปสู่นรกปกติ ก, ก็เคยนำข่าวมาให้พระพุทธเจ้าแต่วันนี้โมกขลาลงไปไม่มีสันนรกแปลกใจว่าสันนรกทุกวันแต่ก่อนเราลงมา มีน้าแน่นอยู่ทุกแห่งทุกหนแต่วันนี้เงียบไม่มีสัตว์นรกสักตัวเดียวอยู่ในนั้นแล้วก็เลยไปถามพยโยมที่บานดูว่าวันนี้สัตว์นรกไปไหนกันพยโยมที่บานตอบว่าวันนี้เป็นวันปล่อยสัตว์นรกให้เขาได้ไปรับพยาทานจากญาติมิตรพ่อแม่ลูกหลานต่าง สัตว์นรกจึงไม่มีอยู่ในนรกนี่เป็นคำตอบของพระเยซยูบาลต่อพระโมคคัลลานะพวกสัตว์นรกป ก, กติมีความหิวความลาบากทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสตายในวันนั้นเกิดในวันนั้นตายกันอยู่บ่อยแต่ก็เกิดกันอยู่บ่อย เมื่อกรรมยังไม่สิ้นเป็นอยู่อย่างนั้นทุกจนตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่นั้นนับไม่ถ้วนว่าในเดือนหนึ่งหนึ่งวันหนึ่ง น, งนงมันตายสักกี่ครั้งแต่โทษหนักมันก็ตายบ่อยแต่ก็เกิดบ่อยทนทุกข์ทรมานลาบากอยากเย็นจะมีการทำมาค้าขายมีการได้รับทานอาหารเหมือนสัต ดิฉ า, านหรือมนุษย์ไม่มีมีตั้งแต่ทนทุกข์ทรมานอาศัยกรรมที่ตัวทำไว้ให้ผลไม่มีการรับทานอาหารอะไรได้ทุกอยากลำบากปวดเปรี้ยงปวดหิ้วห้อยตัวรียกตายก็เหมือนกันนี่พวกที่ไปอยู่ในสถานที่ทุกอยากลำบากถูกกักขัง โดยเวรกรรมของตัวที่ทำเอาไว้แต่ถึงวันอย่างวันนี้ที่หมอกลาไปไม่เห็นพยายมปล่อยมาหวังปล่อยมารับทานจากดิดามานดาญาณมิตรต่างๆจาสต์เหล่านั้นขึ้นมาโมบ้านของตัวอยู่ที่ไหนเมืองไหน เขากวจะต้องไปหาหยาิของตัวแล้วก็มีความปลื้มใจดีใจว่าจะได้รับไยทานได้รับอาหารอิม่มน้ำสำราญเพราะทุกยากหิวโห้ยมาเป็นระยะยาวนานไม่ได้ทานอะไรมีแต่ความทุกข์กายทุกข์ใจอยู่อย่างนั้น ต, ต, ต่างตัวกว่าต่างมาต่างคนกว่าต่างไฟในสถานที่ตัว เคยเกิดเคยอาศัยเห็นว่าอยากคนใดเขาจะทำบุญสุนทานก็มุ่งมั่นไปสู่จุดนั้นแต่พวกเราไม่มีตาทิพย์ไม่ทราบว่าสันเหล่านั้นมันมากันจริงจังหรือไม่แต่ผูจศรีมีตาทิพย์ท่านเห็นว่าเขามากันเมื่อมาก็คอยอนุโมทนาบุญกุศลจากญาติมิตร บิดามาดาของตนไปทำบุญสุนทานในสถานที่ต่างๆเขาก็คอยรับอนุโมทนาหากญาติมิตรเหล่านั้นไม่ได้ทำบุญสุนทานอะไรสัตว์นรกเปรตอสุรกายเหล่านั้นก่อเสียกอกเสียใจขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้รับทนบุญอุปสที่อุทิศไปให้ พยาดมิดทองตนไม่ได้ทำบุญสุนทานเกิดเสียใจร้องไห้แต่ถ้ายาดมิดทำบุญทำกุศลแล้วอุทิศผลไปให้สัตว์นรกเหล่านั้นก็ดีใจยิ้มแย้มแก่ ม, มใสให้พรแก่ยาดมิดรของตนให้มีความสุขความเจริญ <c oughs> นี่เป็นเรื่องสัตว์นรก ขี่ขึ้นมารับไยยทานเหตุนั้นประเพณีอันนี้จึงมีมาเพราะทุกคนเกิดมาก็ต้องมีญาติมิตรของตนที่ร่วงรับดับหายไปทุกคนเกิดมาจะอยู่ครบถ้วนหน้าไหม่นี้ไม่ปูญาตาถวดตวายก่อนพวกลูกหลาน หรือพ่อแม่ตายจาตมิตรตายมันมีอยู่สิน่นนี้แต่ไหนแต่ไรมาปฏิเสธไม่ได้บ่าเราเกิดมาไม่มีญาติคนใดที่่วงหายตายไปมีญาติของเราที่ลวมหายตายไปมันมีด้วยกันทุกคนฉะนั้นผู้ดีอยากจะอุทิศบุญกุศลไปหาญาติจึงมาตากบาททำบุญนะเน่น ผิดปกติต่างทุกวันเพราะถือกันว่าเป็นวันปล่อยสัตวนรกปล่อยเศษออกมารับบุญปุศนมารับทานคนที่เชื่อมั่นในคำบอกเล่าของปู่เถ่าปู่แก่ก็เลยทำกันเรื่อยๆมาบางหมู่บ้านลูกหลานมีเท่าไหร่ก็จะต้องไล่ให้ตักบาดโดยทั่วหน้า าหากพอที่จะตักบาตรได้อายุ3ามขวบกี่ขวบขึ้นไปไล่มาตักบาตร ท, ท้งนั้นมาหมู่บ้านถือกันขนาดนั้นถือเป็นวันสำคัญเพราะจะได้ทำบุญคุ้นทานไปหาหยาดมิตรของตนนี่เป็นประเพณีที่นิยมทำกันมาเป็นระยะยาวนานไม่ทราบว่าทำกันมาแต่แต่สมัยใดแต่ผมเคย ทำกันมาติดต่อกันมาจนตลอดปัจจุบันเรื่องเหล่านี้ภาหาจะพิจารนากันในเรื่องของธรรมดีไหนแล้วมันถูกต้องไม่มีทางเสียหายซึงจะไม่มีหลักฐานว่ามันอยู่ในสูตรใดสําหรับตาราเล่มไหนก็ต า, ามต่มันก็เป็นทางดี คือทำบุญกุศลเพื่อเสียสละคำามหวงแหนความโลภออกจากตนชำราใจของตนเมื่อเราได้ทำลงไปอย่างนั้น <c oughs> เราระลึกนึกได้ใจของเราก็ะพร่องใสเพราะเราทำในทางดีไม่ใช่ทำในทางชั่วนี่ผู้ที่ทำเห็นอันนี้สง ในจิตในใจของตนว่าบุญกุศลเราได้ให้ไปได้ทำไปใจมันสบายใจมันเป็นสุขแต่พูดถึงเตศสุรากายหรือสัตว์นรกนั้นพวกนี้ลำบากลำคาญมากหากจะพูดตามตำรับตำราอยู่ด้วยความทุกข์ยากอนาถาใน ม, มีการค้าขายหรือทำไร่ทำนา ทำราชการอะไรอยู่ด้วยความทุกข์คือมีหอกมีดาบมีแหลนมีเหลาสิ่มแทงอยู่เรื่อยมีไฟไหม้หรืออยู่ในหมอ้อนำร้อนสิ่ม ให้ทนทุกทรมานร้อนก็ร้อนเลีอยทนเลียทพนจนตายแล้วก็เกิดใหม่สวยกรรมไปเราทุกคนที่เกิดมาก็ไม่ทราบว่าญาติมิตรของเราที่ตายไปนั้นได้ไปเกิดเป็นอะไรเพราะไม่มียานภายในคอยใจอย่างทราบว่าคนเหล่านั้นเขาไปเกิดเป็นอะไรกันแน่เมื่อมีความสงสัยไม่แน่ใจอย่างนั้นพวกเราท่าน จึงอุตส่าห์พยายามทำบุญกุศลอุทิศไปถึงญาติมิตรในชาติปัจจุบันจะไม่ได้รับฉาติามิตรในญาติมิตรในชาติก่อนๆกมมีคนเกิดมาไม่ใช่ว่าเกิดกับบิดามารดาคนเดียวเท่านั้นมันเกิดนับไม่ถ้วนพบธาตุพวกเราที่มาร่วมกันอยู่เดี๋ยวนี้ผมเคยเกิดร่วมกันเคยตายร่วมกันมาเหมือนกันแต่เราไม่ทราบ อดีตวัฒนธของเราเคยเป็นอะไรกันมาก่อนไม่ทราบกว่าดีอย่างคือมันจะไม่ไดีคิดปุงไปมาก้าดาไปมากเท่าไรใจมันก็ยิ่งจะไปกันใหญ่อุ่นดีอุ่นวายชาตินั้นเคยเป็นอย่างนั้นชาตินี้เคยเป็นอย่างนี้มันคิดมันปุงไปมากไม่ทราบกว่าสังมันในปัจจุบันแต่ เชื่อมั่นว่าเราเคยเกิดเคยตายรวมกันมาแต่เกิดแต่เพียงชาติเดียวเท่านี้มันเกิดมานับพบนับชาติไม่ได้และสัตว์เหล่านั้นที่เขาไปตกนรกโมกใหม่เป็นเปรตเป็นสุรกายนั้นลำบากยากเย็นอาศัยบุญกุศลที่คนอื่นบำเพ็ญแล้วทิชให้ เขาเองไม่มีสิทธ์ที่จะทำบุญทำกุศลอะไรอีกได้เพราะอยู่ในสถานที่จำกัดอยู่ในสถานที่ไม่มีศาสนาอยู่ในสถานที่ไม่มีโอกาสเวลาจะทำความดีก็รกรรมที่ทาเอาไว้บังคับกายใจของเขา จึงได้รับความทุกข์ยากลําบากเมื่อเป็นเช่นนั้นญาติมิตรมีใจเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อทําบุญทํากุศลก็อุทิศผลไปให้แก่ญาติมิตรท้องตนหรือตักพสัตว์ถวบไปเอ๋สัตว์เหล่านั้นเมื่อเขามีโอกาสเวลาจเจริญอนุโมทนาการอุทิศบุญกุศลไปให้แก่คนอื่นสัตว์อื่นนั้น ในทางพระศาสนาหมายถือว่ามันเสียหายเป็นการเพิ่มบุญเพิ่มผูกพนขึ้นอีกแต่นั้นจริงนิยมทนกันมาในตำรับตำราทางบุญันกุบุญศีาวัตถุศิษ์บุญเกิดขึ้นโดยการอุทิศให้แก่คนอื่นสัตว์อื่นปฏิทานใัม่ คือการอุทิศบุญไปนั้นเป็นบุญอีกเราทาลงไปก็เป็นบุญแล้วเราก็อุทิศไปอีกเป็นบุญขึ้นอีกบุญมันเกิดขึ้นทั้งสองทางที่เราทำไปก็ได้บุญข้อหนึ่งแล้วแต่อุทิศบุญไปให้แก้สัตว์อีกเป็นบุญเกิดเพิ่มกันขึ้นอีกแต่นั้นจึงนิยมทำกันมามันไม่มีทางเสียหาย ในวันนี้พวกเราท่านได้มาทำบุญกุศลร่วมกันหลายหน้าหลายตาก็าเพื่อระลึลกนึกถึงปู่ย่าตาทวดท้องตนญาติมิตรท้องตนที่หลวงห่วงรับดับหายไปเขาเหล่านั้นจะได้รับอนุโมทานาได้มีความสุขความสบายจากบุญกุศลที่เราอุทิศไปให้ เป็นนิยมทากันมาเป็นระยะทุกปีแต่วันเช่นนี้ในปีหนึ่งหนึ่งก็มีวันเดียวข่าวประดับดินไม่ใช่จะทากันทุกวันทุกเวลาเขาปล่อยเพียงวันเดียวปล่อยเปเรดเหตุนั้นผู้มมที่ไม่ได้ทาบุญกุศลอะไรในวันสำคัญคนนั้นก็ไม่มีความหมายวันธรรมดาจิตใจของเขาก็ไม่ได้ รงยุ่งเกี่ยวากับการจะทำบุญทุ้นทานวันสำคัญที่บรรพบุรุษเคยพารรมาเขากอดละเลยไปได้คนเช่นนั้นจึงไม่มีความหมายในการเกิดของเขาเขาเป็นโมฆะหาสาระในการเกิดไม่ได้พวกเราท่านไม่เป็นอย่างนั้นอุตส่าห์พยายามทำคุณงามความดีไปตาม ความสามารถของตัวบุญกุศลที่ตนได้กระทำบำเพ็ญเอาไว้เป็นเรื่องสำคัญที่จะนำตัวของเราท่านที่กระทำบำเพ็ญให้ได้รับความสุขความสบายสมปรารถนาถ้าหากไม่มีบุญกุศลอะไรในตัวแล้วความปรารถนา ในทางดีนั้นก็ไม่มีความหมายเพราะเราไม่มีบุญกุศลที่จะส่งผลไปให้แต่นั้นเราจึงนิยมทํากันเรื่อยๆมาบุญกุศลที่อุทิศไปให้คนอื่นสัตว์อื่นเราก็ทําบุญกุศลที่จะทําตนขลองตนให้สงบสุขเราก็ต้องทําบุญนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายทาง าหาคนฉลาดสามารถที่จะสะสมบุญกุศลให้เกิดจากตนของตนได้ทุกระยะแต่คนโง่ก็ไม่มีทางที่จะทำบุญทากุศลอะไรได้เพราะถือว่าบุญกุศลนั้นไม่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับตนคนที่มืดบอดอย่างนั้นก็คงจะปะสบทบเห็นเรื่องมนุษย์ อางชาตินี้เถ่านั้นจากชาตินี้ไปเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่กรรมความเขาสิเขาทำถ้าเขาทํากรรมชั่วหนักเขาก็จะไปเกิดในนรกถ้าทำเบาลงไปนิดหน่อยก็จะเ ป, เป็นเป็นเปรตเป็นอสุรากายหรือสัตว์ปีระฉานตามเรื่องนี่เรื่องการเกิดการตายของมนุษย์มั่นไม่แน่นอน วมาจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เสมอไปเพราะมนุษย์ไม่ใช่พืชพันธุ์ัยาหารต่างๆซึ่งเอาไปปลูกที่ไหนเมื่ อ, อไรถ้าเป็นมะพร้าวไปปลูกตอนใดการใดมันงอกขึ้นมามันก็เป็นมะพร้าวอย่างเดิมข่องมันจะกลายเป็นขนุนหรือเป็นมะม่วงเป็นไปไม่ได้มะม่วงกว็เหมือนกันขนุนก็เหมือนกัน มันในแปรสภาพไปเป็นอย่างอื่นแต่มนุษย์เราเป็นของที่มีจิตตวิญญาณสามารถที่จะไปเกิดได้ในสถานที่ต่างๆตามบุญกรรมที่เราทําเอาไว้อาจสามารถที่จะไปเกิดเป็นสัตว์ตัวฉานเล็กๆหน่อยน้อยก็ได้อาจสามารถที่จะไปเกิดเป็นเทพผูบุตรเทพผู้ทิดาก็ได้อาจสามารถจะกลับมาสู่มนุษย์อีกก็ได้อาจสามารถจะไม่กลับ เพราะในทําลายทิ่เรียดดับจากกิจจากใจของตัวคือจะถึงวีมุตติพานก็ได้แล้วแต่เรื่องของแต่ละท่านแต่ละคนที่สนใจจะทำเอาแต่โดยส่วนใหญ่คนที่ไม่สนใจมันมีมากหรือสนใจก็อยากจะเกิด อ, อีก เป็นมนุษย์อย่างเดิมไม่อย่างนั้นก็อยากเกิดเป็นเทพบุตรเทพบิดาเพราะถือว่ามีความสุขส่ามนุษย์นี่ความคิดในจิตในใจของคนถั่วไฟนอกจากผูดสิฝึกหัดปฏิบัติภาวนาทราบเรื่องการเกิดมันเป็นทุกข์เท่านั้นจึงจะเบื่อหน่ายในการเกิดไม่อยากเกิดต่อไป จะทำลายเหื่ออวิชาตันหาเพื่อของความเกิดให้ดับไปนี่พวกเราทำลายยังไม่ได้ <c oughs> จะปฏิเสธวาไม่เกิดเท่าไรมันก็เกิดอยู่วันอย่างท่อมันไมไ่ฟังคำที่เราปฏิเสธเมื่อเป็นอย่างนั้นเราเกิดตรง สร้างคุณงามความดีเอาไว้เพราะกรรมดีเท่านั้นจะติดตามคนไปสู่ความสมหวังกรรมชั่วก็จะลากเข็นตัวของเราให้โจมลงไปสู่สถานที่ต่ําที่ชั่วเป็นธรรมดาทํากรรมดีนั้นโดยมากถือวายาสําหรับคนผานคนชั่วแต่ง่ายสบายสําหรับผู้ที่มี เจริดนิดสัยเป็นบัณฑิตเป็นคนดีทำง่ายสบายสง่าพาเผยไม่เดรับลับซ่อนซ้อนทำกรรมดีอย่างเรามาฟังเทศฟังธรรมจำศีนภาวนาคือมาทำกรรมดีรวมกลุ่มกันได้เปิดไฟสว่างจ้าสาหากเข้าไปลักไปขโมยทำอย่างนี้ไม่ได้ กลัวเขาจะเห็นหน้าเห็นตาจำได้ไปแบบมืดมิดไปแบบทุกข์ยากลําบากเวลาไปเวลาทำก็ทําทด้ยวยความลำบาระวังกลัวเจ้าของเขาจะตื่นจะรู้มีความกลัวอยู่ตลอดเวลาแต่เรามาจําศีลภาวนาทําบุญทุนทานไม่กลัวอะไรจะกลัวอะไร เรามีกรรมสิทธิ์เขอาของที่เราเอามาให้ทานเรามาเนี่ยขโมยใช้มา <c oughs> เป็นของของตัวเราจึงไม่กลัวว่าคนอื่นจะมาโทษมาจับเดี๋ยวการจำศีลรักษาศีลก็ทานองเดียวกัน <c oughs> ไม่ได้ผิดกฎหมายขอ้อใดแล้วไปอย่าง สงางาผ่าเผยการภาวนาจะนัง่งอยู่ในสถานที่ใดจะลืมตาหรือหลับตาก็าตามก็ไม่กลัวต่อคนนั้นเขาจะมาจับกลุมคุมตัวเพราะไม่ได้ทำชั่วนี่คนทำบุญไปแบบสบายทำงา่ายไม่กลัวใครแต่คนทำบากลำบาก จะไปข่าเขาไปขโมยเขามันลำบากเพราะกลัวเขาจะจำหน้าจาตาได้หรือเขาจะข่าเราตอบมันเป็นอย่างนั้นนี่หมายถึงถ่าจะพิจารณาว่าทำดีมันทำยากมันก็ยากสําหรับจิตใจมันไม่อยากทำใจมันต่าใจมันชั่วแต่ความอยากดีทุกคน มีความอยากดีด้วยกันแต่การทํานั้นไม่เหมือนกันอยากดีจะไปกลับไปทําชั่วแล้วผลความชั่วมันก่ออานวยให้ออกผลให้ในสมความมุ่งมากกาธนาของใจอยากไปเกิดก็ไปเกิดในสถานที่ชั่วไปเกิดในสถานที่ดีไม่ได้ เพราะก ร, รมดีพ้องตัวไม่มีแต่นั้นเมื่อเราที่นีพิจารณาตามเหตุผลแล้วเรื่องของศาสนามีเหตุผลเพราะที่จะเชื่อฟังหน้าคนที่พิจารณาให้ถึงจิตถึงใจแล้วเรื่องของศาสนาเป็นของที่มีคุณค่าสาระสูงพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนโง่ เป็นคนฉลาดแหลมคมเป็นศาสดาเอกในโลกการสอนมนุษย์ก็ดีสอนเทวดาก็าดีไม่มีใครในโลกจะยิ่งไปกว่าพระองค์อย่างสัตถาเทวมนุษย์ษานังคือการสอนการฝึกมนุษย์ฝึกเทวดานั้นไม่มีใครที่จะเยี่ยมยอดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไปได้ องค์รู้สาเหตุต่างๆทางที่จะให้เกิดทุกข์ทางที่จะให้เกิดสุขทางที่จะทำให้จิตใจบริสุทธิ์พระพุทธองค์สอนตามอำนาจวาสนาของบุคลคลเพื่อผู้ที่มุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติมีจิตใจสูงมุ่งจะออกจากโลก พระ อ, องค์ก็มีคำสอนที่เหมาะสมคนที่มุ่งความสุขความเจริญในโลกพระ อ, องค์ก่อสอนพระ อ, องค์ไม่จนสมบัติของพระ อ, องค์มีมากสามารถที่จะแจ ก, กจ่ายไปได้ขั่วทุก สัตว์ทุกบุคคลถ้ามีความต้องการนี่คนก็ดีสัตว์ก็ดีที่ไม่ต้องการปรารถนาสมบัติจากพระพุทธเจ้ามันมีอยู่เห็นดอกบัวเป็นกงจับไรเสีย้ยแต่กลับเห็นกงจับเป็นดอกบัวคือเห็นชั่วเป็นดีเห็นดีเป็นชั่วมันเป็นอย่างนั้นจิตใจ พวกเราท่านที่มาอยู่ในสถานที่นี้ก็ื่าทำนองเดียวกันหา ก, กจิตใจรับฟังมีเหตุผลเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านพวกเราเกิดมานับพบนับชาตนับกับนับกันไม่ได้ถหากเชื่อมั่นในคำสอนของท่านเล้วตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติกันกกคงจะไม่มาเกิดมาตาย ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างนี้มันไม่เชื่อตามีเห็นปัสสะใจเห็นหูมีฟั้งปัสสะแกบ่ฟังใจไม่ได้คิดทีนี้พิจารณาหาเหตุผลจริงจังมันไม่เชื่อมันจึงไม่เกิดสาระประโยชน์ให้ถ้าเชื่อถ้าเลื่อมใสจิตใจมีปัญญามันก็ไมไเกลยดแล้วเกิด เยนว่าอยู่ในวัตสงสารอย่างนี้แต่นั้นเมื่อเราตื่นตัวรู้สึกตัวว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นของดีมีคุณค่าสูงสามารถที่จะปฏิบัติดีทวีคูณขึ้นได้ดีกว่าสัตว์ทั่วไปเพราะพระพุทธเจ้า หรือสาวกของพระพุธทธเจ้าสี่ท่านกำจัดกิเลสตัณหาทำลายอาวิชชาอุปาทานจนจิตใจของท่านบริสุทธิเป็นพระอารหัสตอรหันต์ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันกันกบพวกเรานอกจากนั้นจากนั้นปุถียังท่องเที่ยวอยู่ในวัตาสงสารจะเป็นเทพ พระบุตรเทพพรธิดาอินทรมต่างๆก็ไปจากชาติมนุษย์ที่ทาคุณงามความดีเอาไว้พวกจิตเตไปมกไหมตกนรกอเวจีเป็นผีเป็นเปรตก็ไปจากมนุษย์ที่ทาชั่วทําเสียเมื่อเราทราบอย่างนั้นตัวของเราปัจจุบันเราได้ทําคุณงามความดีไว้แค่ไหนจิตใจในปัจจุบันเมื่อจากอันตรขาคไปเราจะไปสู่ พบได้ทราบใดสทราบหรื อ, อยังเมื่อยังไม่ทราบจะไปนอนใจตายใจอย่างไร